เชิญปองยอดยมก็สำหรับวันนี้ก็เขาทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็อาจารย์สิงหก็จะให้ธรรมาโพสสักน้อยก็เรื่องธรรมะนั่งเอนเป็นสิ่งที่ เป็นอาหารของจิตใจอย่างดื้อเป็นที่พึ้นเป็นที่อาศัยขอชีวิตจิตใจของเราก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงให้พวกเรา ก็ทำะสมระาตที่เป็นสืบโตมาถึงปัจจุบันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่หายากเพราะว่าท่า สังกะหมูมขม่ขมผสมก็หมดออกไปแล้วก็ไม่มีใครจะสืบตัวให้หรือว่าถ้าผสมมีแต่ว่าญาติโยมไม่ได้ช่วยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ เพราะธรรมะก็ไม่ได้มีชีวิตธรรมะก็ตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าธรรมะก็ยังมีชีวิตอยู่2องปังห้าปีตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้แล้วก็ยันพวกเราก็ได้ มีโอกาสสัมปัสของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นผสนก็เป็นสัำกันแล้วก็ธรรมะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็มีเกิดขึ้นแล้วก็เลยเราก็ มันไตรรักนั่นก็มารวมกันเพราะฉะนั้นนี้เิ็นที่หน้าที่ของเราที่ได้สัมปัสได้ได้ฟันได้ก็เอามาใช้ะประโยชน์ต่อชีวิตดับทุกนี่เป็น จุดนุ่มไม้ของคำสองของพระพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมละธรรกุศลละหากศรรุศลกิเลสตัางหาออกไปจะได้ มันทุกมันก็น้อยหล่นไปเรื่อยๆบางเตาไปสิ่งที่ปฏิบัติทำได้ก็ทำที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้กับบ้านทำที่บ้านก็ได้ที่ทำงานที่ไร่ที่นาก็ได้ แล้วก็ไม่ได้ยกมือดวยจองกองก็ได้จิงจะมีสติก็ไม่ได้อาศัยเหยียบบ ท, ที่บังคับไว้ก็มีสติว่าความรู้สึกตัว ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เอากลับกลืนมาความคิดก็เอาเราไปมีภัยนั่นเราก็ดึงกลับมาที่กายที่ใจนี่ทำให้ปัญหา น้อยรอนนอรอนได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นตังหานี่ก็จากกลางอบิจาความไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวความหลงก็คือว่าสิ่งที่เป็นภังหาก็คิด ว่าอยู่ที่ดันโนดอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตแต่จริงๆแล้วก็เราถ้าดูดีๆก็มันเกิดขึ้นที่ปัจจุบนันกันล่ะเราทำอะไร คิดอะไรก็คือเครืที่นี่ไม่ต้องหาทางหาหาแก้ไลที่ดันโนอกต้องทำให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ต้องว่าได้หรือว่าต้องทำอนาคต ก็ไม่ต้องรออนาคตก็ได้หรือว่าเรากลับไปอดีตไม่ได้แล้วก็แก้ไขไม่ได้ไม่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็เราไม่รู้ตัวหลงไปว่าสิงเป็น ขังหาเนื้อเดือดอนาคตหรือว่าคนนี้คนนั้นแต่ว่าดูดีๆแล้วก็เราก็รู้อยู่อ๋อยู่ที่นี้เองอยู่ที่กายกักบจิตใจของเราไม่ต้องแสวงหาอาดีตอนาคตหรือว่าคนนี้คนนั้น ไม่ดีไม่ตอนน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นจินแล้วมันเป็นอุปฐานความยึดมั่นถือมั่นนี้佛ตเจาก็ยกสาสียานเป็นสิ่งของบ้าน เป็นติจีการดีตอนหรือว่าเป็นความคิดเห็นและตัวตนคำคำสะคำขอนตัวเองด้วยอันนี้มอไม่ชัดว่านี่เป็นอ้อสินของหาย มันนังก็จำภาษาก็เทศนายฟันแล้วก็บอกว่ามันโทรศัพท์มือถือหายหนึ่งหายหรือว่าอะไรอะไรที่ว่าขนเราหายเราก็ทุกแต่ว่าจริงๆไม่ใช่สิ่งของก็หายก็เป็น ธรรมชาติธรรมดาแต่เรายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นก็เป็นต้องแก้ไขร่างกายสุขภาพเสื่อมโทรมหรือว่าเป็นโรคเป็นจราก็เป็นธรรมชาติ เราหาว่าเอาตัวร่างกายเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยทุกข์เราต้นทุกข์เพราะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะว่าเป็นโรคเพราะว่าเป็นสิ่งหายทำไมจ้าคนที่เป็นโรคคนที่เป็นไม่่อยมีสิ่งของ ก็มีความสุขอยู่ก็มีพระเั้า น, นี้ก็ไม่ใจสิ่งกอนนี้เป็นปัญหาหรือว่าล่างกายเป็นปัญหาความยึดมั่นเรอมั่นมีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอุปัตตามีหรือเปล่าไม่มีในความคิด เห็นทฤษฎีอะไต่างๆนี่ก็บันทีกก็เดินไม่ก็เลยชัดที่เราก็ทุกกล่องก็มีความคิดว่าต้นทำนี่ดีหรือว่าวิธีการแบบนี้ดีก็เลย คุยกันกับเพื่อนหรือว่าคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็หยุดนั่งถือนั่งกับความคิดเห็นแล้วก็ทะลดกันทำไมผู้อย่างนี้ทำไมคิดอย่างนั้น รู้สึกว่ามันไม่พอใจความทุกข์แต่ จ, จริงๆแล้วไม่ใช่ความคิดนี่เป็นปัญหาความคิดบางคนรักคิดกันก็เป็นธรรมดาคนนี้ก็คิดอย่างนั้นคนนั้นก็คิดอย่างนี้ก็ธรรมดาแล้วก็ ยอมรับความคิดของอื่นก็ได้ถ้ายอมรับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่งความคิดของตัวของเราเราได้แล้ไม่ต้องะเลาะกันเอาความคิดออกมาแล้วก็ ปรึกษาหาดูกันได้อ่านี่ก็วังทีก่ก็พ่อแม่ก็คิดว่าจะให้ลูกเลี้ยงเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นให้รักษาตัวแบบนี้ตัวนแบบนั้น ก็มีแล้วก็ทะเลาะกันได้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าพิธิการเหรียนรูปบางคนไล่ยางกันแล้วก็ยึดนั่งถือนั่งกับพิธีการของเราของของพ่อก็นี่ไม่ใช่ของเราถูกต้อ อันนี้ก็ยุดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ถึงความเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็มันเกี่ยวข้อของเรา ตัวเราแล้วก็อาจารย์ไปสางก็นี่คือนะนี่คือหนะของเกือของเราแล้วก็นี่คือหนะของเรานี่ก็เป็นตั้งหาของวันนี้เป็นทิฏฐินี่คือหน้าเป็นมานะก็อติบายดีมากอันนี้ก็ทำให้เรา ก็ทุกข์ใจกันได้ถ้ามีตั้งหา้ามีทิฏฐิมัณ น, นะจริงๆแล้วมันเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นมีจริงมันกลับว่าเป็นรถ รถยนนี้ก็ไม่ได้มีจริงนี่แต่ของนี่แต่สิ่งที่เป็นประกอบรถไหนก็มันก็มีรถก็เกิดขึ้นมาเพจที่นายใจเพื่อเราก็เหมือนกันเราก็มีอาคาร เป็นเวทนาบ้านทุกเวทนาสุกเวทนาอทุตู ข, ขามาสุกเวทนาทุกทุกดีใจเสียใจแล้วก็สร้างความคิดไปเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ท่าั้งเกิดขึ้นมาเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติ แต่เราก็ประกอบเป็นสร้างอัตตาเป็นตัวตนเป็นพบชาติถ้าเกิดพบชาติไปแล้วเราก็กลัวจรลาโมลณะจรลาโมลณะนี่ไหมก่อมว่าไม่ใช่เป็นร่างกายของเรายันเดียว เรากลัวชาราโมรนะณะของจิตใจก็คือความคิดเป็นตัวตนเป็นสัตว์ท่านหลายสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นอัวก็ไม่มีตัวตน เป็นนัทธาเพราะว่าคิดประกอบมันไม่ก่อยได้มันสัญญามันก็น้อยก็เลยไม่ได้คิดอดีตอนาคตว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นทุกข์แต่ว่าตนมันทุกข์เพราะว่ามันร่างกาย เป็นเสียหรือว่าเจ็บไม่ได้กลัวจะลาเป็นไม่ได้กละนะัวมรณะของตัวแต่ก็มนุคนเรานี้ก็กิสร้างมาเป็นตัวเป็นตนได้แล้ว กรเลยสางสิ่งที่เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งเขาทำลายฉันเขาว่าด่าเราฉันเขาทุกได้เพราะว่าเพราะว่าหยาดตาตัวตอนนี้เป็นจารามลณนะของเรา ก็ทุกใจสร้างขึ้นสางึ้นแล้วก็เลยมันถูกเป็นหลายชนิด ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นไปแล้วตัวตนเกิดขึ้นไปแล้วคนสิ่งที่มองเห็นอะไรก็ตามเป็นนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากบิญ ญ, ญาสังการบิญญาอันนี่ก็เป็นมันตัวตนมันอาศัยอยู่ถ้าตัวตน พาศัยอยู่ก็เห็นอะไรก็ตามว่าเป็ น, ปนสิ่งที่สำคัญของเราด้วยถ้าเห็นคนที่เป็นยาจะก้าคนตาย แม้ว่าเขามันมีหน้าหน้าของเขาด้านหน้าของเขามีดอกไม้แล้วก็มีดหรือว่าปืนก็ดอกไม้นี่ก็หาไม่เจอมีแต่ปืนมีแต่มีด ว่ากาด้วยมีดนี้กาด้วยเปิลอไม่เห็นดอกไม้ที่งามงามได้จริงๆดียวคนที่เป็นเป็นนักตำอาหารและคนที่เป็นเป็นค ทำงานร้านอาหารก็เห็นอยู่เป็นมีดเป็นสำคัญเพราะว่ามันทำใช้ในการถัดผักใะรต่างๆแต่ว่าคนนั้นนี่ก็ก็ไม่ได้ใส่ความหมายตัวมีดว่าฆ่าคนตาย เฉพาะใช้ในการของเราแอนมันสินที่มองเห็นแล้วก็ใส่ความหมายก็เป็นนามรูปมันเกิดขึ้นจากวิญญาณวิญญาณก็เกิดขึ้นจากสังขารแล้วก็สังขารเกิดขึ้นจาก อาวิจาร์อาวิจาร์นี้ก็เป็นตัวเป็นตนวังอาศัยเข้าไปอยู่หรือจริงมองเห็นอะไรก็เพื่อฉันเพื่อมีประโยชน์ต่อตัวเองไม่ได้เห็นประโยชน์ของคนอื่นได้ถ้าเราก็ ปฏิบัติมาดึงกลับมาปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งของเป็นรูปนามรูปหรือว่าใกล้กับใจหรือว่าเป็นโลกนี้ก็ ไม่ได้เป็นปัญหาเราก็แก้ไขด้วยตรงแอรในปัจจุบันนี้ที่กายกับใจเรานี้ได้จริงๆสิ่งก่อนด้านนอกคิดอะไรต่างๆด้านในมีไหมใจเป็นปัญหาก็มันเป็นธรรมชาติ ตามเหตุเป็นตามปัจจัยที่เป็นสมาธิก็จิตก็ไม่มไวุ่นวายแม้ว่าอยู่ในอาการต่างๆด้านนอกด้านใน ก็จิตเป็นสงบอยู่เพราะว่าจิตไม่ร่วมไว้กับมันกับความคิดหรือสิ่งที่ประกอบในด้านนอกเราไม่ได้ทำตามมันจิตตามมันได้ ฉะนั้นนี่พวกเราก็ก็ดีมันิธีการยกมือสั่นจำวัดก็ถึงกลับมาปัจจุบันนี้ถึงกลับมาที่กายเรานี่ก็ป้องกันสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในอดีตอนาคตหรือว่าด้านนอกได้ เพราะเราเดินกลับมาได้ที่กายเราสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นทุกเวลาทุกนาทีเป็นปัญหานี่ก็เป็นอยู่ที่เราก็เลยมันก็ไม่เสียเวลาแตาร อ, อนาคตก็ต้องเสียเวลา หรือว่าต้องทำให้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าต้องเสียเวลาถ้าคิดว่ามีรถก็จะมีความสุขก็ต้องทำงานหนักหลายช่องมอ เขมันก็เสียเวลาเราก็มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับรถก็ก็ได้ปัจจุบันนี้ความคิดแห่งของเขาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปก็มีความสุขได้ก็เสียเวลาเพราะว่า เขาอาจจะเปลี่ยนความคิดทำตามเราก็าได้แต่ว่าตอนพูดอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะเป็นเสียเวลาก็เราก็แก้ไขได้แก้ไขปัญหาดับความทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ทุกเวลาทุกวินาตี ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันขณะนี้ได้การนี้ก็ังง่ายที่สุดพอเราก็ดูตัวเองอยันเดียวต้องกลับมาตัวเองอยันเดียวอยู่กับปัจจุบันนี้ยันเดียว จากแกได้หมดบังหาชีวิตของเราเพราะว่าบังหาชีวิตของเราก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้สร้างหรือไม่สร้างแกนี้เองก็มีสตินี้ช่วยได้มากปะพระเจ้าก็ดู ชัดว่าเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจก็แสดงให้เราเห็นแล้วก็บอกปิธีการด้วยตาพะพุทธเจ้า ัสรุ้แล้วแต่ไม่ได้บอกสถานหรือว่าวิธีการให้ดูได้ก็พวกเราก็จะไม่มีโอกาสาที่จะพบไม่มีโอกาสาที่จะแก้ไขปัญหาแต่พระพุทธเจ้าบอกรายละเอียดต้งหมด เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์เกี่ยวกับมีความสุขได้เป็น ถ, านถ้าบอนเพราะฉะนั้นเราพวกเราก็โชคดีธรรมาก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเมืองไทยพอบคุูบาอาจารย์แล้วก็ ก็อาศัยบอกยาิโยมชาวบ้านก็นักปฏิบัติธรรมให้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมก็ตอนนี้ก็ต่อมาก็มีโอกาสจะสอ โดยไปญี่ปุ่นบ้านหรือว่าเกียยงนั้นสื้อบ้านจะให้ทุกคนทุกคนที่เป็นความทุกข์ดอยไม่รู้ตัว คนที่รู้ตัวแล้วก็แก้ไ่ได้ด้วยตรงเองคนญี่ปุ่นที่หาหมอจิตอะไรเป็นปัญหาหลายก่อนก็คนที่ชอบดีก็มาที่สุกัต่อตได้สามปัด คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกมือซานจังวะเดินจงคมก็แก้ไขได้ได้ทุกๆก่คนมันจิตใจสบายใจกึ้นมันทุกมันน้อยหล่อนไม่ต้องไปหาโมอไม่ต้องกินยาได้พราะฉะนั้นที่นี่ก็มีสิ่งที่เป็นอารียสัต เป็นครูบาอาจารย์เป็นสถานที่แล้วก็เป็นเป็นการยนมิตรเป็นเพื่องกันเป็นปฏิบัติ ด, ด้วยกันนะครับก็คิดว่านาที่คนเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจะได้หมดความทุกข์คนเราสิ้นเจิญแล้วก็ให้เผยแพรธรรมะ ต่อกอบคัวก็ดีหรืวอว่าเป็นที่ทำงานด้วยกันก็ดีบันทีก็ไม่ต้องพูดว่ า, ว า, วาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมะว่าอย่างนี้เราก็ทำให้ดูเป็นดูสิ่งที่เราทำ ก็อาจะเข้าใจนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกกลจนถึงความทุกข์ลดน้ไปออกไปถึงยิบผ่านทุกๆกกุ่มเติ